รรมชาดกแผ่นที่แปดลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ามีชื่อเรื่องว่าเต่าหาบหงมื่อคืนใครไป ไปสวนใหม่ไปไปปีกวิเวกเปลี่ยนสถานที่ปีกวิเวกโมเมนต์ที่ไปอยู่วัดใหม่ห่างจากหลวงพอลองพ่อผมมาจอบเลยพวกเข้าเลยต้มกาแฟกิดนมดขึ้นอะไรได้กินคุยกันเข้าใจไหมยอยู่ใกล้หลวงพ่อจับไฟเพน้มันหอนบ่น ไปไก่ลุงพอก็ล้องลองจับมันห่อนบอลมันห้อนขึ้นเาน mm. น่าเน่ะเงยวมันบอดีจะไปหาเห็ดขั้นปไ ด, ด้เห็ดเนี่บอดีอยู่ไก่ลุงพอก็ห่อนอยู่ไก่ลุงพอก็ห่อนก mm. ็ยังหมาบักกาแฟกับบักแบ๊กกันเห็นมั้ไปอยู่วัดไม่ออกไปเที่ยวคอนเขาก็นํำเขาใช่ไหม <c oughs> เสียงลงไปมะคงจะเค็ดแล้วมั้งหมาก็เหมือนกันน่นแะ สมัยก่อนหมาของเราเลี้ยง อ, อ, อยู่ในวัดของเห้าเนี่ยมันบอกออกนอกวัดเลอยู่ในวัดปาร์มี้ฮิตเลอร์อเกเล่งไงมาอยนีแล้วมันชอบออกไปเที่ยวบานไงออกไปเที่ยวห้องเลยว่ายไปหน่อยเอาไปไปห่วยสวกว่ หมาท่เองมันนิสัยบุรีมันพาหมูกเกเล้ได้ไงวะพอไปบ้านหอยสวกประเด็จพ่อไปหอดนันโอ้ใจแตกเลยบ้าเนเลยไปตะพุตตะเพือ่อหมาก็ใจแตกเป็นที่กันเลยหนีเตลิดเปิดเปลงชัวร์จิปหฮาจับมาได้กัพ่อแห้งวัอกไปพ่อจับมาแล้วเนี่ยหนีะเตลิดเปิดเปิงเนี่ยเอาไปใจแตกกว่านอไปมันคือถอดสงสัยจะคือถอดน้าคับน่อยเฮามัน บาตเนี่ยท่านหน่อยก็เลยกลับมาทรงวนันออกไปกลับมาทรงโหาเป็นหมาเป็นหมาหูผู้ดีได้บาตเนี่ยเชยอยู่กับวัดกับว่าเท้ากับโอหมาตัวึงดีเลยวะไอ้าบาตเนี่ยเอาไปทรามานมันมาดีแล้ววะพอมาอยู่อีกหน้าน่านบาตเนี่ยโอ้ยแหงหายก็เก้ากวาตเนี่ยเออคือเกิดขับคนนเอาลไปยับให้เขาเ่าคคกเราเอเอเห็นโทษ น, นไป กับมาบ้า น, นีดีขึ้นมาในชั่วระยะหนึ่งบาททะออกจากบาทหาเนี่ยหายจากความดีบาดเนี่ยนะฮู้ยเลิดเปิดเปิงเลยวันโนไปบาดเนี่ยเอาหมามาเลี้ยงในวัดของเข้าเนี่ยทั้งหมาลางังหมาท่ายว่นไปเอามาเลี้ยงเนี่ยตัวนี้เราผ้าออกบาดเนเีเป็นนักเลงผ้าออกเที่ยววันโนไปพุ่นอ่ะออกนอกวัดพุ่น นี่แนละพ้าออกวนะนาบักฮิตเลอร์เนะียปากใหญ่ปากกว้างเนะี่ยมาฮิตเลอร์มาเขาเอื่นพันอย่างไนะดผที่ชดเกิดลดตู่ช่อนนยะลดตูท่ทางนอกวัดนะี่ยช่อนเียหยียบตายทตายนอกวัดเนะมาฮิตเลอร์อันหนึ่งนี่แหละลูกชิดฮิตเลอร์กมี่นาะกาแฟก็บักแบกเนะี่น้ํากดฮิตเลอร์ลงพ อ, อยังโอ ม้ารุ่นนี้พ่อมดพ่อมดรุ่นไหหยกเลิกซะก่อนได้ปะเพรามันติดตามตามกันไอพวกที่มาอยู่ก่อนมันถี่ผ้า อ, ออกไปเที่ยวทางนอกมันรักษายากเผลอเผลอไปกัดไก่กัดหยังเขาอีกต่างหากยุดซะก่อนให้มัน ม, นมดหยกซะก่อนเอาลุนอื่นมาเลียงอีกขันเลียงรุ่นนี้ยังยั่งอยู่รุ่นพี่เลียงมันยังยั่งอยู่เนี่บยบ่อได้ พวกหนึ่งผ้าเป็นนักเลงมันออกไปมันผ้าออกไปทางนอกไปเที่ยวทางนอกพวกที่มาเลียงไม้เคยจออกไปทางนอกคือเกาบ้านเนี่ยหมามันเคยขึ้นกันเนี่ยมันกับอสิวหน้าขึ้นกันอเสิวหน้าจะผ้าล่านั่งบันทิตานั้นจะเสวะหน้ามันครบลูกพี่มันบดีมันก็ไปทางบดีขึ้นกัน ออกทะเลถลายขึ้กันแต่รุ่นกรอนบนมีดเลยรุ่นกรอนบนมีดมาเรียนกันจูในวัดตลอดไอ้จิโก้ไ อ, ไอ้กก ไ, อไทเกอรนะ์พวกนั้นอยู่วัดแล้วก็ตัวมากอยู่วัดแต่รุ่นนี้เนะี่ยแต่หิตเล่อผ้าออกไปเนะี่ยตัวอีหิตเล่อผ้าไปนะมันก็เลยทะเลถ ล, ลัยทต้องกันมา ทั้งที่เอาเขาลงเลียนเยหมารุ่นนี่หมาที่เอาเขาลงเรียนเนะี่ยลงเรียนต่อชดอลงพอมัดไปหลายกันนะ้นเนเอาหมาเขารงเลียนนะแต่มันก็ดีอยู่่มันบ ก, กเกลีนนะ่ยวนออไปมันก็หุ่จักควาอยู่ขนานมันกเกลีนนะ่ยมย่อฟั่งไปเนะียอยุดไอ้แบกยดุดไอ้บ็อกก็สด น, น่มันบยุดเลยแล้วนานะโบฟังนะ่งวแล้วนาะ มึงจะออกไปมันก็บอกฟังน่ะมันเกลเร่ไอ้เนี่ยก็ช่วยๆกันเบิงหน้าทั้งหมาไอ้บอกไอ้แบกอยู่ทั้งหน้ายุง่งสวนไม่ซอวยๆเบิงๆบงแล้วก็พ่อมันกันก็จะไปให้อาหารพวกหมาหมาข้าเจ้าที่มาอยู่น้ำพันเอาให้เขาพดีเด้เอาอาหารให้หมาข้าเจ้าเดี๋ยว เหมือนกับเห่าไปล่อให้หมากรเจ้ามาอยู่น้ำเห่าเจ้าของเขาจะเสียใจเสียความรู้สึกขึ้นกันน่โมเมนเท่เาทีมีแต่เมตตาเห็นหมาเขามากอ ะ, อะเขาอาหารใ น, นกินมันกระบาได้เนี่พอมันกินแล้วมันติดเห่ า, าปะเนี้ยพอติดเห่ามันมายอมกลับบ้านเขาบางที่เป็นหมาของเขาเห่าไปเลี้ยงไว้ตรงนี้เห่าก็ต้องคิดขึ้นกันน่ะ กบแมนจีมาจะมิติเมตตาธรรมะมังมก บ, บแมนไปเลี้ยงหมาเขาไหวไปเลี้ยงไก่เขาไหวไปเลี้ยงสัตว์เขาไหวสัตว์ตเขามีเจ้าของเฮ้าอย่าไปหาเลี้ยงถึงนั่นก็ให้ไหล่ออกสะกกอนถามมันอาหารมันเหลืออะไรเออก็ทุดแทะแต่เบนเสียแต่เจ้าของเขาก็บว่ายอย่งเ อ, อือก็บอกเจ้าของเขาคำมากอะไรมันกินเนอะดือจิเลี้ยงให้มันกินเนาะ การเจ้าของเขาบ่าวา่าเนี่ยกับอีกแนวนั้นนะที่เจ้าของเขาเขาอยากให้หมาเขาอยู่ในบ้านเดี๋ยว่ห้าวมันไม่เลี่ยงไว้เดี๋ยวเกิดการทะเลาะิวาทกันขื่นพวกกูบาก็ต้องซอยเบิงขึ้นกันนะอันนี้หนูบ้านไก่เลื่อนเคียงอย่าให้มีปัญหาไปอยู่ใส่อย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหากับบ้านไก่เลื่อนเคียงมิยังกัเมตตาสงเคราะห์นุเคราะห์กันช่วยเหลือเจือจันกัน มี่ยังก็จะได้พึงพาอาสัยกันต่อไปพ่ายภาคนามี่ยังมีแต่ทะเลาะวิวาทกันทางเมื่อนกระบวไทยเลยการทะเลาะวิวาทกันโมเมนแนวดีกาเป็นภาเนี่กระต๊ะน้ลกอเวกีมาหมักต่อมากแต่ลงพอได้อ่านศึกษาในพระไตรปิฎกนะพระโกกาลิกนยะลงพอกกระบวมั่นใจขึ้นกันว่าแต่พระโกกาลิก ปากบดีดาพระอัคะสาวกดาภิกษุผู้ทรงศีลตูถูกปาหมาัดพระภิกษุอื่นแล้วก็เขาเป็นมูของเทวทัตประกกาเล็กเนี่ยเออพ่อตกไปก็ไปพ่อตายไปก็ไปตกเอเวจีนรกแต่ว่าตอนตายนี่กับว่าดีบนยินง ในพระไตรปิฎกเรื่มเลแต่พอมาอ่านธรรมปรทัตกคาถาเห็นว่าพระโกกาลิกดาอัคระสาวกดาพระโมกคลาดาพระสารีบุตรดูถูกพระ อ, อัคระสาวกพระโกกาลิกแผ่นดินแยกเปิ้ลข้าพเเพียงเทนีในพระไตรปิฎกแผ่นดินแยกแล้วก็ไปตกไปสู่นรก แต่นะ้นปไตยปีทกเกลี่มอื่นหรือขออื่นเพิ่นกับบาวาวา่าพระโกกาเล็กดาพระภิกษุดาพระมกขาลาพระสารีบุตรและขะแผ่นดินสูกบกระบอพูดชัดเจนถึงขนาดนั่นม่าแะไเพียงแต่ว่าแผ่นดินแยกบแผ่นดินแยกกับเจมเป็นแผ่นดินสูบบนโท๊เป็นภาษาเฮ้ามันบอละอันนี้ก็เลยคงพองพอยังสงสัยยังคนควายดูว่าเอ๊มีอยู่บ้า พระในข้างพระพุทธเจ้านี่ดาพระอรหันต์ในแผ่นดินแยกแผ่นดินสูบเนี่ยมอยู่บ่เนีแต่ในพระไตรปิฎกในธรรมปฏิทักถาเพิ่นพูดเพียงแค่นี้แหละหลวงพ่อก็สงสัยอยู่แต่เพิ่นกระพูดไปอีกว่าพระโกกาลิกบาบทําบาปเพราะปากของตนเองทําบาปกรรมเพราะปากตนเองดาปาหมาดปริพาดภิกษุสงฆ์และด่าพระอัคคสาวก ภาษาริบุตรพระโมกคลาตายแล้วไปสู่นรกพระพุทธเจเ้าปัญวาเพิ่นหนิยิ้นพระสงฆ์สนทนากันพระพุทธเจ้าปันก็ได้จะเดชมาบนศาลาที่สภาสภาภิกษุสนทนากันอยู่นะปพระพุทธเจเ้าพวกเธอสนทนากันเรื่องยัง้งพวกท่านทั้งหลายพระสงฆ์เล่านั้นก็เลยกราบทูน่นพระพุทธเจ้าว่า พวกข้าพระ อ, องค์สนทนากันเรื่องพระโกกาลิกไปตกนรกเพราะปากของตนเองบ่งจากบดจำร่วมปากแผ่นดินแยกแล้วก็ไปสู่อเวจีนรกพระพุทธเจ้าวา่าพระโกกาลิกเนี่ยอทําบาปเพราตายเพราะปากบ่มีแต่ในชาตินี้ในชาติก่อนก็เคยเหตุเคยทําแบบนี้แหละตายเพราะปาก พระพุทธเจ้าก็เลยพระสาวกก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ประกกกาลิกตายพ่อปากพระพุทธเจ้าเพื่นก็เลยบอกว่าสมัยหนึ่งมีพญาหงหงลูกหงลูกหงกำลังเป็นนมไปหากินในสา nam ไอ้หยุดในป่าหิมะพานพอไปกินน้ามแล้วไปเห็นเตา เตาอยู่ในน้ำข่ามปมเตียมตมเตียมเห็นกันเกือบผู้มือน่ะพ่อไปกินท่านได้ก็ไปกินหากินเม็ดหญยาหากินปลากินอย่างในหนองน้ํนางหาเห็นเตาเตาตัวนั้นข้นมาไงนกหงนมทั้งสองเนี่ยก็เลยถามว่าเตาเจ้ายุ่นี่เคยไปใสบ่บ่อไหะเตาบก่าก็บ่อแล้วก็ยุ่ในสาเนี่ยก็หากินแถวนี่แล้วยุ่ในสาจะไปใส ไปไสเขาบ่กบมีน้องหน้าไปก็มันก็เสียงกระยุนนี่นี่หละเกิดที่นี่ก็ะยุนนี่นี่นนนนนเจ้าอยากทัศนะศึกษาบอกหน่อยเลยหงสองตัวถามมันแหงหนุ่มสองตัวเนะนี่ยถามเจ้าอยากไปหาเบื้อหม่งอื่นบอกเต่ า, า, ตาก็บอกว่าอยากไปยุนแล้วขั้นมี้ขั้นไปได้แต่เหตุนใดมันไปบรายว่าแต่เนี่ยปอขั้นเจ้าจะไปได้คอยจะหาวิธีการให้เจ้าไปได้ว่าแต่เนี่ย เออเอาไปไปก็ไปเอยบอกว่าเดี๋ยวคอยจะหาใหม่ใหม่ไพามากแข็งแข็งแล้วให้เจ้าคาบทางกลางเนอะเดี๋ยวคอยเล่าสองตัวเนี่ยจะคาบสนใหม่สนใหม่ไพผ้าเจ้าบินเจ้าต้องคาบให้แนนเด้เออเจ้าเสื่อมันได้ปากเจ้าบอเจ้าสะคาบแนนบอเตาว่าได้อะไรเออได้อะไร บาฮะเน่กันหอดเปือกันนกหงกับหาไหม่ไพ่มากอว่ากันขาบใหม่ไพ่มากกวคือว่ามันเน่นแข็งแรงแ่ะเนีบาเน่ไงเต้าข้าบพวกข้าวนกโขงก็ทดล่องยกขึ้นเบิเงินไปอนกบินบินยกขึ้นเบิงได้กันออไปบอหักก่อนไไม่บอฮักไปเนาะจ่เนี่ยไปเบิ่งบ้านไปเบิ่งธรรมไปเบิ่งธรรม อพวกเข้าอยู่ทำทำหงหมันไปไปดูทำหงไปดูเอสะอื่นเดี๋ยวจะพาทัศนะศึกษาแต่ไหนเต้าก็เออแต่ไหนบ่าให้่ไถ่เต้าคาบทั้งกลางใหม่กันไปเต้าคาบกลางใหม่ก็นกหงก็บคาบทั้งสองส่วนบินะบินขึ้นอากาศเต้าโหดขาก็ะเฮ็ดโจดโจดโจดโจดไปไปเอป เต่ขาขับขาบกลางใหม่นกโขงกับบินทั้งฝ้าบา้านนันบินผ่านไปกลุ่มพระนาศีบานเนยผ่านไปกลุ่มพระนาศีเนี่ยมันเป็นบินต่ำเลยหงก็คงจะบินเพสูงอนะพวกคนทั้งหลายเห็นมันเด็กน้อยทั้งหลายเห็นเด็กน้อยกำลังเล่นอยู่ยพอเห็นอยู่เด็กน้อยไปห้องใส่บ้านโต๊มือพ่อมัแล้าไปเบิง้งเบิ้งโน้บงโน้ตัน เตาหามหงเตาหามหงวะเธอเนี่ยมันก็แม้นั่งมันาากัอเตอาหาผงว่นออกไปใกร้าว่าเตาอยู่ทัง้งคางมันบ่หล่ะหงอยู่ทั้งคางอาจะว่ามันหากระแม้นมันออกไปบ้าน้าเตาปนวังคนในยินเด็กน้อยหัวทางใตวันออกไปเด็กหน่อยมันบอ่อาาบอย่างว่าธอเนี่ยกูจะว่าขาหาผงไหนจังไหนเนี่ยหงหามเข้ า, า, าไป ยังแมนเลยอันนี้จะว่าเข้าหาผงไหนจังไหนเบาเดียเตาตัตนไหนก็เลยอาปากสีวอน้าซีว้าหเหมือนทนกอยทั้งไต่พวกนาะยพอออาปากกึ้นมาแต่เนี้ยก็ลดถึงตัวบัตรเนี้ยลดไม่ข้านหามมันลไปลดมันก็เรี่วเลีวเลี่ยเลีวล้วมานตอกใส่กางพลาลนเนะตาก็เลยหลังแตกงนะตายนะพอ่อเตารถถึงเหตหงก็พไายามส้วนยได้วนางนนไปเพราะว่าหงเนี่ยเอาขอมาแล้ว มันต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เด็อรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อจะบให้อันตรายเด็แต่ว่าเทสยังไรได้ล่ะหงก็ช่วยเต็มที่ยุทธเตามันมันอยากปากเด็มันอยากพูดเด็กแม้ก็ะทัลดปากของลดปากโหนกส่วนส่วนมันกบูจูแล้วหลิวลีหลวลีเพราะว่าตกปังลงใสจล้านเห็นล้านปูนของ กุ้งพระรานสีล้านอิฐเนะี่ยเขาปูอิดนะเน่ยเตาเลยหลังแตกก็เท่ากู้เมืองเห็นว่าเราเตามันแตกเป็นยุมนะ่มเป็นยุ่มเน่ะเพราะมันตกมาเจอไปไห้พุ่นะตะกูลมั่นกว่ไปนะตะกูลเตาหลังแตกพระพุทธเจ้าเพันว่านี่ยแหละเตาตอนนั้นมันตายเพราะปากเมื่อเกิดมานี่เป็นโกกาลิกเนะี่ยภิกษุนี่แหละถ้าหากว่าสำร่วมปากซะ มันก็นถึงจุดหมายปลายทางคันว่าบัวสำล่วมปากนี่แหละบาปพ่อปากจิบหายพ่อปากปากให้โทษคันพูดเป็นศีลเป็นถ้ำเป็นอัดเป็นถ้ำอันนั้นว่าปากเป็นชลิเป็นโมงค้นคันนะว่าปากโบดีอันนี้ปากเป็นบาปจิบหายพ่อปาก เรื่องปากนั่นเป็นจริงที่ให้โทษทั้งให้คุ้นขั้นให้คุ้นก็คือปากดีเป็นเงินเป็นทองขัน้นปากเสียนเสียเงินเสียท่องเพอเพ อ, พอติดคกุกติดตะล่างถืกโทษประหารเป็นพระราชิกอีกท่างหากถ้าเป็นพระนะโอ้โทษนักขนาดหนึ่งนักสลเรื่องปากมันเป็นธรรมดาได้ถึงถึงตายได้รปะถึงขาดจากการเป็นพระได้ เป็นเรื่องอยัง้งภิกษุอวดอุตตริมนุษยธรรมคือทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกเนะี่ยก็ใส่ปากเนะี่ยเราพูดด้นะใส่ปากพูดขั้นใส่มือพูดใส่กรรยาพูดถําเลยมันบ่มีไปลายหูเลยต้องใส่ปากพูดแต่พอใส่ปากพูดเนะี่ยโทษขาดจการเป็นพระได้คือกันเพรานะน่ะเรื่องปากเนะี่ต้องสำรวมต้องระวัง นี่แหละในหลักของพรุทธศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นกนัเป็นการบอกกล่าวกันเตือนกันทุกคนตั้งแต่หลวงพ่อนะ่ะเป็นตนไปหลวงพ่อแหงเบาหลายแต่ละมือนะแต่ก็บอกเบาหลายปณิรดาอกว่าไหวเบาแต่ย้ำมือเศ้าตรงนี้แหะกันยาำวันพระ ก, ก, นนกันนอกนั่นกันี้ก็มีศรัทธา ญ, ญาติโน ม, มาจากทางทิอื่นก็นได้พูดได้กล่าวแนะนำ้ำเฮาเด็ปฏิบัติมากจังเลย ลู้เห็นมั้จังไดศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่คื อ, อยังนี่แหละกันเตือนบอกกล่าวกันเนี่ยให้ระวังปากเด้อจังสีแหละในพระไตรปิฎกพ้นว่าจังซีได้ไอ้พระโกกาลิกเนี่ยเข้ากับในศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ว่าพนก็ บ, บอกว่าพระกาโกกาลิกแผ่นดินแยกเนี่ยอันนี้เขาก็ยังบได้ในนี้ในพระไตรปิฎกที่ชัดเจนว่าพระโกกาลิกเนี่ยดาพะาระอ克拉สาวกแล้ว ต, ตกอาวุธจีมหานรกแห่นดินแยกอันนี้ห้าก็ยยังพระท่นเห็นชัดในประไตปิดกเปลี่ยนอื่นๆมันไปมีแต่อยู่ในพระธรรมมปฏตตกรถาเปิด m o u เพียงเท่านั้นนี่แหละอสรุปเลยก็คือให้ส้ำหลวมปากกันว่เป็นตาเบายาเบาขันเบาก็ต้องคิดสะกก้อนพอแม่หลวงปากกระเบาโลดนี่ประไตปิดกบนวางทันไหนเพราะนั่น เป็นบทเรียนสำหรับพัวเข้าทั้งหลายขึ้นกันนะที่เข้าได้ศึกษาได้ความรู้ความเมือฉลาดขึ้นมาได้ก็นเนี่ยต้องอาศัยการศึกษาสนำะอรับพรอนอนุโมทนาให้พรอน